กรรมที่ทำไม่ถูกต้องพิกชณีสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำถูกต้องบวชให้ต้องอบัติทุกกฎกรรมที่ทำไม่ถูกต้องพิกชณีไม่แน่ใจบวชให้ต้องอบัตทุกกฎกรรมที่ทำไม่ถูกต้องพิกชณีสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำไม่ถูกต้องบวชให้ต้องอบัตทุกกฎ